แต่พระองค์ไม่เป็นอย่างนั้นอัญญาซิวัตโพโกณทันโยอัญญาซิวัตโพโกณทันโยพระองค์ดีใจมากเนี่ยนะโกณทัญญะรู้แล้วหนอโกณทัญญะรู้แล้วหนอะเนี่ยนะเพราะพระองค์เนี่ยมู้ิตามีความปราบปลื้มปีติโสมนัตเป็นอย่างยิ่ยงที่ผู้อื่นได้ดีมีความปีติปราบปลืม้มโสมนัตยิ่งนะักถ้าเขาได้ตรัสรู้ธรรมพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่เคารพธรรมพระองค์ยินดีเสมอยินดีจริงๆอ่ะกระว ดีใจด้วยจริงๆที่เขาได้ตรัสรมมู้มรรคผล น, ผนิพพานพันการแสดงพระธรรมจักจึงอยู่ในขอบเขตแห่งมุทิตาเนี่ยนะพันกิจกรรมที่พระองค์ปฏิบัติตลอดเป็นทั้งเมตาน้อมนำประโยชน์ศขเข้าไปให้แกสัตว์ทั้งหลายโดยเฉพาะมุทิตาเนี่ยนะเรียกว่าไปที่ไหนก็ไปมุทิตาแกสัตว์ทั้งหลายด้วยการแสดงธรรมให้เขาได้รับเพราะว่า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 ไม่ได้แล้วกิจเหล่านั้นพระองค์ได้ทําเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วพ้นอธิฐานธรรมทั้ง4ี่ประการนี่แหละทําให้ความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในการอุบัติเนี่ยนะในการอุบัติร ต, ตรัสรู้ประกาศธรรมจักรปรินิพานครบถ้วนสมบูรณ์แบบเพราะพระองค์เจริญอธิฐานธรรม4ประการนั้นอธิฐานธรรม4นี่แหละเป็นเหตุให้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันพระโพ ธ, ธิสัตว์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 เศนเนี่ยโดยปกติเนี่ยฐานะที่จะต้องรู้ได้เพราะการอยู่ร่วมกันเศนเพิ่งทราบด้วยการอยู่ร่วมกันของพระมหาบุรุษผู้เริ่มด้วยสัจจานิฐานคนมีศีลคือคนเช่นไรบอกว่าคนมีศีลคือคนที่มีความเสมอต้นเสมอปลายเนี่ยนะคือเราว่าไอ้ความที่จะรู้จักเสมอต้นเสมอปลายของใครเนี่ ย, ย, ยก็ต้องอยู่ร่วมกันนา น, น, านและจะต้องมีปัญญาจึงจะรู้ได้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 พิสูจน์ได้ว่าท่านนั้นเป็นผู้ที่บริสุทธิ์แท้จริงเนี่ยนะรู้ได้นะใครที่ไปอยู่ร่วมกันนานขนาดไหนก็จะไม่เห็นความผิดปกติของพระองค์เลยพญามนติดตามอยู่7ปีเนี่ยนะพญามติดตามอยู่7ปีก็ไม่เห็นเอ่อความผิดปกติของของพระโพธิสัตว์6ปีก่อนตรัสรู้และเป็นพระพุทธเจ้าอีกตรัสรู้ตามแค่ว่าตามทุกความคิดเลยภาษาไทยเราใช้คาว่าทุกย่างก้า ทางธรรมะเขาเรียกว่าแทบจะตามทุกความคิดแต่ไม่ใช่ว่าความคิดดีๆไม่ตามนะรอดูช่องไลยจะมีมีตรงไหนพลาดบ้างมีตรงไหนพลาดบ้างเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าพยายามที่จะตรวจสอบหาความผิดพลาดแต่ก็หาไม่พบเหมือนกับอีกาตัวหนึ่งบินเข้าไปในภูเขาภูเขาที่มีสีเหมือนมันขน้นโอ้ยดูเหมือนมันข้นแหมมันน่าจะจิกจุบคอยเนี่ยมันลึกเลยนะเพามันขน้นมันก็แบบนิ่มๆไง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 เพราะอะไรที่ทําได้อย่างนี้เพราะอะไรเพราะว่ามีสัจจาที่ฐานทําให้รู้ฐานะคือศีลเพราะการอยู่ร่วมกันานานๆนันตรวจสอบได้บางนันความสะอาดเนี่ยนะเป็นฐานะที่จะทราบได้ด้วยกิจ ด, ด้วยการทํากิจคือคนที่สะอาดแท้จริงเนี่ยนะก็ดูจากความรับผิดชอบดูจากความรับผิดชอบว่ามีความรับผิดชอบเต็มที่สมบูรณ์หรือไม่ อ่ะนะไม่ใช่ว่าทําอะไรแบบไม่มีความรับผิดชอบอะไรเลยเนี่ยนะถ้าอย่างนี้ก็ไม่เรียกว่าคนสะอาดแท้จริงเนี่ยนะงั้นคนที่มีจากคะจริงๆอ่ะนะก็คือเริ่มดูจากความสะอาดเนี่ยนะคำว่าความสะอาดในที่นี้ก็คือด้วยกิจการทั้งหลายเนี่ยนะกิจที่เขาทําทั้งกายกรรมทั้งวัจีกรรมทั้งมนโนกรรมของเขาเนี่ยมีความสะอาดโดยที่ไม่มีข้อขุ่นมัวตําหนิดได้ทางกายวาจาและใจเนี่ยน ะ, ะหมายก็ว่า บัณฑิตทั้งหลายเขาใคร่ครวญดูแล้วหาช่องทางที่จะติไม่ได้อย่าลืมว่าในทางธรรมะนั้นไม่ถือเอาคาของคนผ่านเป็นประมาณเพราะคนผ่านทั้งหลายก็เหมือนกับคนที่ที่ที่เอาแต่ความรู้สึกของตัวเองเข้าว่าเนี่ยนะชอบก็ชมชังก็แช่งตรงนี้ในธรรมะไม่ถือเอาคนผ่านเป็นประมาณถือเอาอผู้ที่มีปัญญาพิจารณาใคร่ครวญตรวจสอบเอาอัดเอารำทั้งหมดใคร่ครวญโดยรอบคอบแล้ว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 เรื่องพระประเจกกันนะมีลูกศิษย์เยอะๆใช่ไหมมีลูกศิษย์เยอะๆเอาต้องให้ตามลําดับคนนี้บวชมานานต้องให้ก่อนให้ให้ตามลําดับพรรษาไอ้คนที่เข้ามาล่างหลังมันเดือดร้อนบอกเอ๊ะทำไมนี่ลําเอียงกันชัดๆเลยนะพวกตาถั่วก็จะว่างั้นเอาพวกตาถั่วเป็นประมาณไม่ได้นะเอาพวกที่มีตาปัญญาเป็นประมาณต่อไปกําลังเนี่ยนะกำลังใจเนี่ยเพิ่งทราบได้ในเวลามีอันตรายพระมหาบุรุษนั้นยามที่มีอันตราย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 ต่อทรัพย์สมบัติต่ออวัยวะต่อชีวิตท่านไม่เคยสนใจเลยท่านไม่เคยกลัวเลยท่านกลัวอยู่อย่างเดียวคืออันตรายต่อทานต่อศีลของท่านเพราะฉะนั้นกําลังใจของท่านดีเยี่ยมเวลาที่จะถูกฆ่าอย่างเช่นดูในวิทูนบัณฑิตเนี่ยนะเขาบอกว่าเขาฆ่าอยู่นะก็ยิ้มอยู่นั่นแหละบอกไม่ยิ้มอยู่นั่นนะไม่กลัวตายได้ไงไม่รู้จะ ก, กลัวไปทําไมก็ไม่ได้ทําบาปเอาไว้บุญไหนๆที่ควรทําก็ทําไว้เสร็จแล้วอ่ะตายยังไงก็ไปสวรรค์จะไปกลัวทําไมตายเหมนั้น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 การสนทนาของผู้มีปัญญาทั้งหลายเนี่ยนะเมื่อสนทนาไปแล้วมีแต่ความสุขขมลุ่มลึกมีแต่ความลึกซึ้งกว้างขวา ง, วางอันนมีแต่ลึกแล้วก็กว้างยิ่งอันนมีแต่ลึกแล้วก็กว้างลึกแล้วก็กว้างลักษณะนั้นอ่ะของผู้ที่ดํารงอยู่ด้วยปัญญาเมื่อสนทนาไปแล้วเนี่ยไม่กว้างขวา ง, วางไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยนะก็เหมือนกับตอนแรกอระชี้ให้ดูทะเลแล้วก็กว้างขวางหาที่สุดไม่ได้เพราะนั้นพระมหาบุรุษผู้ดํารงด้วยปัญญานั้นเป็นเช่นนั้น อันอธิฐานธรรมสี่เนี่ยทำให้รู้จักฐานะ4ี่ประการสีน์รู้ได้ด้วยการอยู่ร่วมกันนานๆดูได้จากสัจจาทิฐานความสะอาดดูได้จากกิจที่กระทำํำนี้ก็เป็นจากคาธิฐานกําลังใจดูได้ในคราวมีอันตรายอันนี้ก็เป็นอุปสมาธิฐานปัญญารู้ได้ด้วยการสนทนานีน้ก็เป็นปัญญาทิฏฐานหรืออีกในหนึ่งอธิฐานธรรม4ี่ประการเอาวิสุธทธิสี 4, เป็นเครื่องวัดก็ได้เนี่ยนะว่า ความบริสุทธิ์แห่งสัจจาที่ฐานของพระโพธิสัตว์ก็ดูจากศีลและวิสุทธิเนี่ยนะความบริสุทธิ์แห่งศีลจาคาที่ฐานก็ดูจากว่าอาชีพบริสุทธิ์เนี่ยนะอาชีพบริสุทธิ์อุปสมาที่ฐานก็มีความบริสุทธิ์ใจเนี่ยนะเรียกว่ามีจิตวิสุทธิที่บริสุทธิ์ใจแล้วก็ปัญญาที่ฐานมีความบริสุทธิ์ทางทิฏฐิเนี่ยนะมีทิฏฐิวิสุทธิที่มีความบริสุทธิ์ทางทิฏฐิ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 โดยเริ่มด้วยสัจจาที่ฐานพระโพธิสัตว์คือคนที่ไม่ถึงอัคคติเขาบอกว่าคนที่มีโทสะเนี่ยนะคนที่ลำเอียงโทสะด้วยมีโทสะนําหน้าทําตัวยังไงบอกว่าพวกนี้หลอกลวงคนที่หลอกลวงเนี่ยเขาถึงโทสาคติเรียกว่าเล่เพททุบายการมีเล่เพททุบายโดยประการต่างๆถามว่าเพื่อประโยชน์แก่คนที่คนที่ถูกคนอื่นวางเล่กะเทให้อ่ะเรียกว่าคนที่วางเนี่ยมีเมตตามไหม ไม่มีพันการที่คนที่มีโทสาคติเนี่ยนะดูจากว่าวางเล่เพทุบายเรียกว่ากลนลวงเนี่ยเรียกเล่กลของคนลวงเนี่ยพวกนี้ทำด้วยโทสะเพราะไม่ได้หวังประโยชน์และหวังความสุขแก่แก่ผู้ที่ถูกทำเหมือนอย่างว่าคนที่ดักใสเนี่ยนะคนที่ดักใสไม่ได้ตั้งไว้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่หมูปลาคนที่วางเบ็ดเพื่อเพื่อติดเบ็ดให้แก่ปลาก็าไม่ได้หวังว่า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 เพราะไม่ผิดโดยเริ่มอุปสมาธิฐานเนี่ยนะคือคนที่ดำรงด้วยความสงบจริงๆเนี่ยไม่กลัวเนี่ยนะเพราะว่าตัวเองดำรงมั่นอยู่ในความสงบอยู่แล้วก็เลยไม่มีอะไรจะต้องหวาดกลัวภัยพยาคติเรียกว่าลำเอียงเพราะความกลัวหรือมีความกลัวนำหน้าเพราะตัวเองมีความสงบพอที่จะไม่กลัวเนี่ยนะเรียกว่ามีความมั่นคงเพียงพอที่จะไม่หวนในภัยใดๆด้วยอุปสมธิฐาน ไม่ถึงโมหาคติเพราะตรัสรู้ตามเป็นจริงโดยเริ่มด้วยปัญญาที่ฐานความที่ไม่โง่ไม่เขา่าไม่งมงายเนี่ยนะไม่ตระกูล ง, งูงูทั้งหลายเนี่ยโง่เงาเงะงมงายเนี่ยนะไม่เป็นลักษณะโง่งมงายลักษณะนั้นก็รู้อะไรตามที่เป็นจริงอนะรู้เหตุรู้ผลรู้ฐานะอาฐานะ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 ปัญญาที่ฐานทำให้ไม่ถึงโมหาคติทั้งหลายอันหนึ่งท่านไม่ประทุษร้ายอดกลั้นได้ด้วยสัจจาที่ฐานไม่โกรธไม่ประทุษร้ายอดทนได้เสมอเพราะมีสัจจะเนี่ยนะไม่โลภไม่โลภเนี่ยนะเพราะว่าเสพอยู่ด้วยจาคะเพราะว่ามีจิตใจเนี่ยนะก็มีจิตใจที่ไม่เอาอะไอ้ใจที่จะให้ใจที่จะให้ก็ไม่รู้จะเอาไปทำไมถึงจะเอาเอาก็เอาไปให้อีกนั่นแหละ ก็เลยไม่คิดจะเอาอ่ะนะพราะไม่โลภด้วยจากขาที่ฐานไม่กลัวเพราะเว้นจากความกลัวด้วยอุปสมาที่ฐานไม่หลงงมงายด้วยเพราะบันเทาความโง่ด้วยปัญญาที่ฐานไม่โกรธไม่ประทุสร้ายอดทนอยู่ได้เพราะสัจจาที่ฐานไม่โลภเพราะอยู่ด้วย จารคาธิฐานไม่กลัวพระเวนจากความกลัวด้วยอุปสมาธิฐานบันเทาความโง่ความข่าวความหลงด้วยปัญญาทิฐานท่านบรรลุถึงเนคข ม, มสุขเพราะสัจจาระาิฐานบรรลุปีติสุขปีติสุขเพราะจาคาทิฐานบรรลุปีติสุขบรรลุสุขที่เกิดจากความสงบด้วยอุปสมาธิฐานบรรลุ ความสุขที่เกิดจากการตรัสรู้ด้วยปัญญาที่ฐานคือสุขที่เกิดจากเนคขมมะสุขเพราะสัจจาที่ฐานวิเวกสุขเพราะจากาที่ฐานอุปสมะสุขเพราะอุปสมาที่ฐานแล้วก็สำโพธิสุขสุขที่เกิดจากการตรัสรู้เพราะปัญญาที่ฐานนะสัจจาที่ฐานเนี่ยคนที่มีสัจจะทำให้มีความสุขในเนคขมมะ คนที่มีจาคะที่ทำให้เกิดความสงบจากวิเวกนะวิเวกผู้ที่วิเวกได้เพราะมีจาระที่ฐานนะมีความสุขความสุขที่จากวิเวกแล้วก็มีความสุข like so ที่เกิดจากความสงบก็เพราะอุปสมาทิฐานเพราะมีปัญญาเนี่ยจึงสุขที่เกิดจากการรู้มีความสุขเพราะความรู้ก็ใครที่มีความสุขที่เกิดจากเนคขมมะสุขจากวิเวกสุขจากความสงบสุขจากความตรัสรู้แสดงว่า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 ส่วนอย่างที่เราทั้งหลายมาศึกษาเรียนรู้ก็เพื่อที่สั่งเสริมศรัทธาเนี่ยนะจะได้มีศรัทธาอันมั่นคงไม่หวันไหวไม่เปลี่ยนแปลงในพระพุทธคุณทั้งหลายเราจะได้ทราบเึ้งในพระปปัจจริยาคุณเข้าใจในพระสรีระคุณเห็นพระพุทธคุณทั้งหลายมีอรหันตคุณเป็นต้นเมื่อเรามีศรัทธามีปัญญามีความรู้มีความเข้าใจอย่างมั่นคงเราก็ยินดีและเต็มใจที่จะปฏิบัติตาม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 มหากรุณาหรือพระผู้มีมหากรุณาที่ยิ่งใหญ่นี่นะแต่ว่ายกกรุณาเป็นประธานเพราะว่ากรุณานี่แหละเป็นเหตุให้ปลดเปลื้องช่วยหมูสัตว์ให้พ้นจากความทุกข์เพราะมีปัญญานี่นแหละจึงชี้นำให้สัตว์ทั้งหลายได้รับประโยชน์ที่สูงสุดอย่างแท้จริงส่วนปัญหาสุดท้ายก็ว่าเป็นพรุ่งนี้เนี่ยสำหรับวันนี้ก็ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้